ทีมไหนมากก่อนฝุ่นนะยังไงภาวนาคืบหน้ายังไงอะไรน้อยนะอ๋อไปทำขึ้นมาแล้วนะอย่าบังคับมัน ปล่อยให้มเป็นอย่างที่มันเป็นตามรู้ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเพื่อให้เห็นความเป็นจริงเท่านั้นไม่ได้ทําเพื่ออย่างอื่นนะไม่ทําเพื่อบังคับไม่ เ, เพื่ออะไรจริงๆตัวศาสนาพุทธแท้ๆก็คือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองยันเราปฏิบัติธรรมกันถ้าเป็นแทบตายเพื่อให้เห็นความจริงความจริงของอะไรของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรากายกใจเนี่ยพอเห็นความจริงแล้วจะรู้ว่าตัวเราไม่มี ตัวเราเป็นเรื่องของความคิดตัวกายนี่นก็เป็นแค่ก้อนธาตุเป็นวัตถุจิตใจก็เป็นส่วนของนามธรรมาเป็นธาตรู้เกิดดับเกิดดับเหมือนกันหมดต้องการให้เห็นแค่นี้พอใจมันเห็นความจริงว่าเราไม่มีเนะี่ยมันก็ไม่มีคนทุกข์ความทุกข์มีอยู่นะความทุกข์มีอยู่ขันเป็นตัวทุกข์ร่างกายอะไรก็ทุกข์ แต่มันไม่มีคนทุกมันจะเห็นว่าอที่ทุกเนี่ยกายมันทุกเห็นว่าแค่นั้นใจไม่ทุกด้วยหรอกงั้นหัดรู้สึกตัวบ่อยๆเราก็สามารถรู้กายรู้ใจได้บ่อยๆพอเรารู้กายรู้ใจบ่อยๆเราก็เห็นความจริงของกายของใจได้เร็วะถ้าไม่หัดตามรู้กายไม่หัดตามรู้ใจก็เห็นความจริงของกายของใจไม่ได้นี่เราชอบไปวาดภาพการปฏิบัติไปพิลึกพิลึกนะ <laughs> คิดแต่เรื่องบังคับมันถ้าไม่บังคับมันก็คือหลงตามโลกไปเลยหลงตามกิเลสไปเลยสุดโต่งอยู่อย่างเงี้ยคนทั่วๆไปไม่เคยปฏิบัติมันก็หลงอยู่กับโลกเป็นหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจลืมตัวเองทั้งวันเลยรู้จักลืมตัวเองไหมถิ่นเนี้ยรู้จักใจลอยไหมใจลอยเม่ อ, มอเมเพลอเอคิดอะไรเพลินเพินทีคิดสัง เ, เกตไหมตอนเราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดนะ นึกออกไหมเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมตัวเราเองเราลืมร่างกายลืมจิตใจของเราอย่างขณะเนี้ยลืมร่างกายจิตใจตัวเองนละ้วดูออกไหมรู้เรื่องที่คิตใ น, ะนวันหนึ่งวันหนึ่งนะไม่มีคนรู้สึกตัวในโลกเนี้ย ท, ท, ท, ทั้งๆทนะี่ธรรมะน่ะแสนจะง่ายเราไปวาดภาพธรรมะไว้พิลพิ้ลพลิกลคืออะไรก็ไม่รู้คืออะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ไกลๆ ต้องทำอะไรเยอะแยะถึงจะเจอความคิดที่ผิดนี่นะกั้นเราไว้นะธรรมะจริงๆคือรูปธรรมก็คือกายนี้นา ม, มาทำคือใจของเรานี้หน้าที่ใครรู้สึกเรื่อยๆรู้ไปในที่สุดเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจลืมกายลืมใจลืมแนละ้วรู้สึกไหมนะลืมกายลืมใจตัวเองนี่ชอบบังคับไว้นะอย่าบังคับมันนะ พวกชอบปฏิบัตินะชอบบังคับแทบทั้งหมดอะแทบแทบร้อยละร้อยเลยนะไม่ว่าจะฝึกวิธีไหนนะก็ผิดเหมือนๆกันอะคือคอยกดข่มตัวเองไว้พอคิดถึงการปฏิบัติกอบังคับกายบังคับใจให้มันแข็งแข็งทื่อๆซึมซึมนะให้มันนิ่งๆมีแต่เรื่องแทรกแซงพยายามแทรกแซงแล้วเมื่อไหร่จะเห็นมันตามความเป็นจริงได้ นี่ปรั ส, สนาคือการรู้เห็นกายใจของเราตามความเป็นจริงแค่นั้นเองซึมไปแล้วลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมลืมกายลืมใจรู้สึกกายรู้สึกใ จ, รกใจเรื่อยๆปุ่นลืมอีกแล้วปุ่นลืมไม่แข็งเลยรู้สึกหมคลายออกซะอย่าไปบังคับมันของโยมก็เมื่อกี้ดีแล้วแต่นี้พอบตาก็เลยแข็งเลยไม่ได้นะ ทำสบายรู้สึกสบายๆนะง่ายที่สุดเอย่าเข้าไปดัดแปลงมันรู้มันอย่างที่มันเป็นงั้นสิ่งที่ขัดขวางการปฏิบัติเนยมีสองอย่างเท่านั้นเองอันหนึ่งไม่รู้ไม่รู้คือหลงไปครับลืมกายลืมใจตัวเองอีกอันหนึ่งก็คือบังคับกายบังคับใจมีสุดตรงอยู่สองข้างบังคับก็ไม่ใช่รู้ตามความเป็นจริงนะบังคับ หลงไปก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยบังคับไว้ยังเหมือนจะรู้อยู่นั่งนั่งจ้องจ้องไว้แต่รู้ไม่ตรงความจริงมันแข็งติดความจริงโยโ ย, โยเป็นไงโยทำให้มันสบายๆนะไม่ต้องปฏิบัติเลยก็ได้แต่จิตใจเคลื่อนไหวแอบไปทำงานอะไรนะคอยรู้ทันมันอะไรนะดูออกไหมใช้ได้แล้วโย รู้ว่ามันผิดปกติใช้ได้แล้นะไม่ต้องพยายามทําให้เป็นปกตินะโยนึกออกไหมพยายามแก้พยายามแก้ยายาแกรู้นะอยากแก้พยายามแก้เนี่ยลงมือจะทำแล้ะเป็นะการทํางานทางใจขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งตราบใดที่ยังมีการทํางานหรือปรุงแต่งทางใจอยู่นะมักฝนจ่เกิดไม่ได้เลยฝ น, นมันเกิดตรงที่ใจมันหมดความอยากหมดความหิวอันอหนึ่งคือหมดตัณหา แล้วก็หมดการทํางานหมดการดิ้นร น, นหนักออนก็รู้ว่าหนักนะที่มันหนักขึ้นมาก็เราไปบังคับมันไว้หใช่ไหมมีเหตุที่เขาเกิดนี่พอ เ, เสร็จแล้วพอเรารู้ว่าเราบังคับไว้แล้วมันหนักเราก็หาทางบังคับจะให้เรื่หนักอีกละหาทางทำอีกอะแทนที่เราจะรู้ทันใจที่มีความอยากเกิดขึ้นก่อนนะแล้วก็เกิดการกระทํางานทางใจโยดูออกไหม เริ่มจากอยากปฏิบัติเกิดการทํางานคือการบังคับให้แข็งแข็งไว้พอ ร, รู้ว่าแข็งรู้ว่าไม่ดีแล้วอยากให้หายเห็นไหมเกิดการกระทํางานอยากหาทางทําให้มันหายหายหนักหายแข็งดูออกไหมมีการทํางานอีกนะมีความอยากเกิดก่อแล้วก็เกิดการทํางานนะคือมีตัณหาแล้วก็เกิดการสร้างพบนะมีตัณหาแล้วก็สร้างพบพบคือการทํางานทางใจ แล้วโย่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปใจเกิดความอยากนิดหนึ่งก็รู้ทันมันนะใจเกิดการทํางานซึ่งนิดหนึ่งก็รู้ทันมันจนพอละเอียดเข้าไปเนี่ยนะถึงขั้นที่ว่ามันอยากปฏิบัติมันอยากดูพออยากดูมนส่งใจไปดูนี่ทํางานทางใจอีกอนะเนี้ละเอียดสุดขีดเลยคือเจตนาจะปฏิบัติตอน ร, รู้อารมณ์ก็มืนกัจงใจดูคือถ้ามันรู้ขึ้นมาเองเนี่ยไม่เป็นไรแต่ส่วนมากเราจงใจ อย่างสมมติตาเรามองเห็นนะเห็นปุ่นแต่มันเห็นเห็นเองอ่ะไม่ได้เจตนาจะเห็นไม่ได้อยากจะเห็นนะอีกอย่างหนึ่งได้ยินเสียงผู้หญิงแวแวๆข้างหลังมันอยากดูอยากดูหน้าเขาใช่ไหมหันไปดูเนี่ยมันดูไม่เหมือนกันอันหนึ่งดูโดยไม่ได้เจตนาจะดูไม่ได้อยากจะดูอันหนึ่งมีความอยากนำหน้าแล้วก็เกิดการทางานทางกายหันไปดูนะมีตัณหาเกิดขึ้นก่อนเกิดการทางาน พระรหันธ์ที่ว่าจบกิตจบกิะคือหมดงานทางใจนะใจไม่ทํางานเหลือแต่การทํากิริยาของมันอย่างตามองเห็นหูได้ยินใจมันคิดนึกเป็นเรื่องของใจคิดนึกแต่ว่ามันไม่เจืออยากดูอยากฟังอยากคิดมันไม่เจือเห็นไหมยังทํางานอยู่ดูออกไหมเออไม่ต้องแก่นะ ถ้าอยากแก่รู้ว่าอยากแก้เพราะรู้ว่าอยากแก้นะมันจะพยายามแก้อีกนะเกิดความอยากแก้มันก็เกิดการทําต่างๆนานาเช่นนี่ทําไงเราจะสลัดตรงนี้หลุดหาทางทำการปฏิบัติจริงๆนะรู้ทันตัณหาที่เกิดขึ้นในจิตนะรู้ทันพฤติกรรมการทํางานของจิตรู้ทันไปเรื่อยในที่สุดพอละเอียดมากเลยเกิดอยากปฏิบัติ พออยากปฏิบัติมันเกิดจงใจไปดูจิตสมพ์เคยเห็นไหมพอมันอยากปฏิบัตินะดูมันซะหน่อยอย่างเงี้ยถ้าดูไปยังไม่เจออะไรนะก็เที่ยวกวานเที่ยวหาใหญ่ว่าจะดูอะไรดีนะนี่คือการทํางานทั้งหมดเลยนะการไปดูก็เป็นการทํางานการเที่ยวไปกวานหามันก็เป็นการทํางานอะไรอยู่เบื้องหลังตั้หาอยากปฏิบัติไหมมีตั้นหาก่อนแล้วเกิดการทํางานคือการสร้างพบ ให้เฝ้ารู้ทันไปจนจิตหมดความอยากปวดการสร้างภพธรรมะแท้ๆก็ปรากฏธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งอย่างเงี้ยปรากฏเงี้ยไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยนะเรื่องธรรมดาสมพงศ์ดูออกไหมหเวลาใจมันอยา ก, ไ ม, ยากไม่ใช่ไม่ต้องให้แจ้งอย่าอยากให้แจ้งนะอยากให้แจ้งไปอีกอ <laughs> คืออวิชชาเรามี เมื่ออวิชามีอยู่เนี่ยอวิชาเป็นความไม่รู้อริยสัจหรือมันเฉพาะไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่มีตัวเรามีแต claro ่ตัวทุกข์เราไม่รู้ตรงนี้เราคิดว่าตัวเรามีอยู่เราก็อยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันฟ้นทุกข์อยากให้มันมีความสบายอะไรเงี้ยอยากอยากอยากให้ดีไม่อยากให้ชั่วมีความอยากนานาชนิดเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยเกิดการทํางานขึ้นมาเยอะแยะ ท่าสอนอวิชาปัจจยาสังขาราอาวิชาเป็นปัจจัยของสังขารอาวิชาคือความไม่รู้อริยสัจโดยเฉพาะไม่รู้ทุกข์หไม่รู้อันนี้ตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราคีว่านี่ตัวเราไม่ใช่ตัวทุกข์เป็นตัวดีพอไม่รู้อย่างนี้ก็เกิดสังขารคือความปรุงแต่งทางใจสามแบบสังขารสายชั่วเ น, นี่ยคิวอารมณ์วิ่งไปอยากดูอยากฟังอยากได้กลิน่นอยากได้รสอยากได้สัมผัส อยากคิดอะไรที่สนุกสนานเพิดเพลินคิวารามทางที่ดีๆอันที่สองพวกนักปฏิบัติทั้งหลายจะเป็นอยากอยากดีเกิดเจตนาฝ่ายดีอยากทาทานอยากถือศีลอยากทําสมาธิอยากได้มรรคผลนิพพานหาทางทนมโนทาอันนี้ขึ้นมาปรนะุงแต่งอย่างที่สามรู้ว่าถ้ายังมีจิตใจที่จะไปรู้อารมอยู่ยังเดือดร้อนอยู่ น้อมเขาหาความว่างๆน้อมไปหาอรูปปรุงแต่งที่สามพวกเราไม่เป็นก็ดีล้วบางคนเป็นนะมีเจอทุกเดือนอนีถามปฏิบัติเป็นไง่ายผมอยู่กับความว่างตลอดเลยไม่รู้ร้อนรู้หนาวทําไมถึงปรุงแต่งฝ่ชั่วคือหิวว่ารมอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นได้รสนะมันคิดว่าถ้าได้มาแล้วมันจะมีความสุข เราจะได้มีความสุขลึกๆ ล, ลงไปก็อเอาวิชาเห็นว่าตัวเรามีอยู่เราจะได้มีความสุ ข, ขต้องหาอารมณ์ที่ดีหนีอารมณ์ที่ไม่ดีพวกชาววัดเราจะมีความสุขถ้าเรารักษาใจของเราไว้ได้พวกฤาษีชีไลาเราจะมีความสุขถ้าเราไม่ต้องกระทบกับอะไรเลยอยู่กับความว่างๆลงท้ายก็คือเราทั้งหมดเลยนะ อย่าที่โยทำเนี่ยเมื่อไหร่เราจะบรรลุนไหมแลวที่คอยรู้ทันนะรู้ทันกลนมารยาของมั น, อ, น, อ, นอะไรนะิตนี้อยู่ข้างาถ้าไม่รู้ทันก็ติดถ้ารู้ทันมันก็ไม่ติดหรอกเหมือ น, นถ้าโยติดตรงนี้แต่เดิมโยไม่เห็นตั้งแต่เริ่มเลยนะโยคิดว่าการบังคับไว้อดีนึกออกไหมการควบคุมตัวเองไม่ได้อจจดี นี่คือทัศนะทั่วทไปของพวกปฏิบัตินี่พอโย่เรียนมาเรื่อยๆโย่รู้ว่าไอ้บังคับไว้นี่นก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกไปบังคับมันขึ้นมาไม่ใช่ทางคนทุกขนะ์นั่นเป็นสร้างทุกข์ขึ้นอีกแบบอันนี้ชักไม่ชอบมันละไม่ชอบมันก็ดิ้นรนจะให้พ้นจากมันอีกเห็นไหมดิ้นอีกและใจที่มันยังหิวโหวยยังดิ้นรนนะใจก็ทุกข์ไปเรื่อยๆเห็นไหมอยากรู้เรื่องนะก็เที่ยวไปใส่ใสมันเห็นไหม คอรู้ลงไปเลยรู้อย่างที่มันเป็นเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่นะอย่าจงใจอย่าจงใจนะนั่งอยู่รู้สึกตัวไปไม่ต้องคิดเรื่องปฏิบัตินั่งก็รู้สึกตัวนะยืนอยู่รู้สึกตัวเดินอยู่รู้สึกตัวนอนอยู่รู้สึกตัวไปนะใจิตใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลเป็นอกุศลอย่างไงก็ค่อยตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ไม่ใช่จ้องโยจะจ้องไว้ก่อนดูออกไหม นี่จุดอีกจุดหนึ่งที่ผิดนะจ้องไว้ก่อนทำไมถึงจ้องเพราะอยากจะปฏิบัติอยากจะดูอยากจะดูมันนะึกออกไหมอยากดูมันทำไมอยากดูลึกลงไปอีกกูจะได้หลุดพ้นจากเขาสทัทีหลายปีแล้วนะเดี๋ยวคนอื่นแซงเลยนะลองวิเคราะห์นะศา ส, สนาูนนู้้ธศาสนจนเราวิเคราะห์ตัวเองอย่างปอกเปลือกตัวเองร่อนจันหน่อยนะ หมาไม่ไหนทีมนี้มาจากไหนกันสี่คนเนี้ยมาก็สมพงษ์แหละไปเจอกันมาจากไหนอะไรเนี้ยแล้วอ๋อที่ไปหลอกเข้ามาหรือเปล่า <c oughs> มีหน้าไปหลอกเข้ามาว่าไปเที่ยวเมืองการ <c oughs> มีเด็กคนหนึ่งมันโวยเลยแม่บอกให้ไปเที่ยวเมืองกาลหนึ่งก็อดทนมากเลยสิบโมงกว่าแนละ้วโวยวายเลย ไหนว่าจะพาไปเที่ยวเมืองกาญจนจะไม่ได้ไปไหนเลยง่ายปรางกันไงสบายรู้สบายนะใจยังไม่ไม่อิสระเต็มที่รู้สึกไหมยังมีอะไรครอบงาดูออกปเปล่าเออนะดูให้ออกให้รู้นะรู้อย่างที่มันเป็นปุ่นรู้สึกไว้ปุ่นหนีไปแล้ว อะไรนะใส่ใสก็ไม่เป็นไรนะมันเป็นยังไงก็ได้ไม่เป็นไรจิตใส่ใส่แล้วหลวงพ่อว่ายัางดีกว่าจิตนิ่งนิ่งจิตใส่ใสเรายัางเห็นความแปรปรวนของมันจิตนิ่งสามวันสามคืนไม่ได้อะไรได้แต่สงบดูออกไหมว่าห้ามไม่ได้เรียนลงไปธรรมะกำลังสอนเราตรงๆแล้วการที่เราสามารถเห็นกายเห็นใจของตัวเองนะ กายกับใจคือตัวธรรมะนี้มันจะสอนความจริงกับเรามันสอนให้เห็นเลยว่าไม่เที่ยงรู้สึกไหมไม่เที่ยงเปลี่ยนทนอยู่ในสภาวะแดนหนึ่งไม่ได้นี่คือตัวทุกขังนะบังคับมันไม่ได้รู้สึกไหมเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้นี่ตัวอนัตตาไหมธรรมะเนี่ยพยายามพยายามจะช่วยสอนเรานะแต่เราไม่เอาธรรมะเราปฏิเสธเราอยากให้เที่ยงรู้สึกไหมใส่ใส่นี่ไม่ดีอยากให้เที่ยงอยากให้นิ่ง อยากให้มันมีความสุขให้มันทนอยู่ได้นานๆอยากบังคับมันให้ได้ตามใจชอบแม่ปฏิเสธไตรลักทั้งหมดเลยธรรมะคือกายกับใจเนี่ยพยายามสแสดงไตรักให้เราดูนะแต่เราพยายามปฏิเสธไตรลักเรากลัวมากนะกลัวใจรักจะเห็นไตรักเดี๋ยวตัวเราไม่มีตัวเราไม่มี เ, มมเดี๋ยวว่าเวนะมันเคยมีแล้วมันไม่มีขึ้นมาหมามันใจหาย มันไม่รู้นะมีความสุขเยอะใงมันไม่ต้องไปแบกอะไรไว้สมพงดว อ, อกไม่เวลาเราไปดูจิตนะเราไม่ดูเฉยเฉยนะเราไปหยิบขึ้นมาด้วยหูวกไหมแล้วหยิบแล้วปล่อยไม่เป็นหยิบเป็นนะแต่ปล่อยไม่ได้นะเออมันไปหยิบ่วยขึ้นมามีบทสวดบทหนึ่งนะว่าคนทั้งหลายนะมันมีความสุกขเพราะมันมันแบกขันห้า คนถือยึดถือขันห้าแบกขันห้าอยู่คนที่แบกของหนักเนี่ยมันเป็นทุกข์คนทั้งหลายแบกของหนักพาไปเรื่อยๆทระอริยเจ้าวางของหนักลงแล้วเรอก็ไม่หยิบช่วยขึ้นมาอีกของหนักคืออะไรคือขันเราโดยเฉพาะจิตนั่นเองดูออกไหมไปหยิบมันมาดูยากมันเป็นเองเพราะมันเคยชินนะมันจะหยิบขึ้นมาตลอดห้ามไม่ได้นะ อไม่ได้เลยมันอะไรนะมันยังไม่ทูกข์กับมันจะรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าจิตมีความอยากมีความยึดจิตถึงจะทุกข์ถ้าจิตรู้สึกตัวอยู่จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์หรอกนะนี่มันเป็นปัญญาระดับกลางในขั้นนี้ของเราเห็นได้แค่นี้คนในโลกทั่วๆไปเขาเห็นว่าถ้าได้อารมณ์ที่ดีแล้วมีความสุขได้อารมณ์ที่เลวแล้วมีความทุกข์เขาเห็นแค่นี้ พวกเรานักปฏิบัติเราเห็นลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งนะอารมณ์ที่ดีที่เร็วมันก็ของไม่เที่ยงนะหมุนมาหมุนไปถ้าเรารักษาใจของเราได้แล้วมีความสุขนะถ้าใจเกิดอยากใจเกิดยึดยึดถึงจะทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์หลวพ่เห็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนะถ้าขั้นสุดท้ายทำไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งจะเห็นเลยจะอยากหรือจะไม่อยากนะตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ ตัวขันนั่นแหละตัวทุกไม่จะตรงกับอริยสัจที่พระพุทธเจ้าสอนนะพระพุทธเจ้าสอนนะขันห้าเป็นตัวทุกฉันไม่ได้บอกว่าต้องต้องไปยึดก่อนนะถึงจะทุกตัวมันน่ะตัวทุกไงคุณมาจากไหนเอาลูกชายมาเคยฝึกกรรมาฐานไหมแล้วไปหัดมาจากไหน เลยจาไม่ได้ละนะพวกนั้นนานมาทีจาไม่ก็ได้มีบางคนตั้งปณิธานนะมาปีละครั้งอะไรเนี่ยพวกปณิธานอะไรมันอาพัพอย่างนั้นมันตัดรอนตัวเองนะรู้จักใจลอยไหมคุณผู้หญิงเนี่ยรู้จักไหมใจลอยรู้จักเม่อเม่อไหมเหม่อเหม่อเนี่ยภาษาพระคือขาดสติ ขาสติอย่างแรงเลยเหม่อเหม่อขาสติอย่างแรงเลยก็เราลืมตัวเราเองเด็ดขาดไปเลยลืมกายลืมใจตัวเองขาสติอีกแบบหนึ่งนั้นไปคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดระหว่างที่เรารู้เรื่องที่เราคิดนั้เราจะลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจตัวเองรู้สึกไหมอย่างนันตอนนี้ยไปคิดมันก็จะลืมตัวเองไปเรารักตัวเองที่สุดเลยแต่เราทิ้งตัวเองก่อนอย่างอื่นเลย ดูมันน่าสงสารขนาดไหนฌานกับสมาธิเปิดกระถางสมาธิก็มีหลายอันนะฌานฌานมันเป็นระดับของความสงบนะสมาธิมีหลายระดับแล้วสมาธิยังแยกออกไปสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิอย่างฌานเป็นส่วนหนึ่งเป็นสมาธิลักษณะหนึ่งคืออัปปนาสมาธิสมาธิแน่วแน่ อยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างแน่วแน่โดยไม่ได้จงใจต้องไม่จงใจนะจงใจอยู่ไม่เป็นฌานหรอกถ้าเข้าฌานนี่คืออภินันท์ใช่ใช่พวกเราไม่เป็นฌานหรอกฌานจริงๆยากนะไม่ใช่นึกหายใจแล้วก็เคลิ้มเคลิมบอกเข้าฌานไม่ใช่นะนี่ให้ขาดสติเนี่ยข้ามเขาอะไรเนี่ยฟักเขาเนั้นมีพระอยู่อง ท่านกำนหลลมหายใจลูกเดียวเลยกำนวลลมหายใจไปเรื่อยๆเสร็จแล้วท่านก็เล่าให้ญาติท่านฟังญาติท่านมานี่เรื่อยมาทุกวนะันบอกท่านเห็นลมหายใจงท่านนี่นะเป็นแสงสีขาวเลยนะเป็นฟองสีขาวเป็นเกลียวเป็นแสงนะการที่เรามีสติไปรู้ลมหายใจตัวลมหายใจเป็นบริกรรมนิมิต หายใจไปเรื่อยๆมันเกิดอุคหานิมิตเห็นลมหายใจนี่เป็นแสงสว่างขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยใช้อุคหานิมิตไม่ได้ใช้ลมแล้วนะใช้นิมิตตัวเนี้ยเป็นอารมณ์สมถานต่อไปอารมณ์ของสมถะต่อไปเป็นได้ปฏิภาคจะกกาหนดยังไงก็ได้ปฏิภาคได้มาแล้วเนี่ยยังไม่ถึงชาญเลยงั้นชานไม่ใช่เรื่องง่ายนะของเราแค่เห็น ปฏิภาคหรืออุปหานิมิตของลมยังไม่เห็นเลยเห็นแต่อะไรเห็นแต่ลมหายใจแล้วก็หายใจไปแล้วก็มัวมัวเมกีก็รวมเวิบลงไปสว่างข้างในหน่อยเราบอกฌานไม่ใช่ฌาหนหรอกนี่ขนาดพระท่านทำของท่านอยู่ทั้งวันทั้งคืนอย่างท่านบอกเดินอยู่ทําอะไรอยู่คุยอยู่ที้ท่านเห็นแสงสว่างตัวนี้ตลอดเนี่ย อย่างที่เราว่าพวกเราทําฌานทําฌานไม่เห็นเลยนะในลานธรรมอะไรเนี่ยคนโน้นได้ฌานได้ฌานไม่จริงหรอก <c oughs> มันสงบเล็กๆน้อยๆเท่า น, นั้นเองไม่ใช่ต้องประกบรอบด้วยสติว่าจิตที่อยู่ในฌานเนี่ยนะเป็นจิตที่เป็นกุศลนะจิตที่เป็นกุศลจะขาดสติไม่ได้เลย ขัดสตินี่นคือโมหะครอบแลเพราะฉะั้นอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกโมหะสมาธิสมาธิแบบมีโมหะสมาธิหัวตออะไรเงี้ยสมาธิอย่างนั้นนอกรูกนอกทางพอเคลิ้มเคลิ้มลงไปใจก็ฝันแลใจมันฝันไปนะก็เรียกสะโก้เลยว่าเกิดนิมิตเห็นโน้นเห็นนี่โก้ดีซะอีกนะยังไม่ได้เรื่องเลยเป็นชาวเมืองนะเป็นคราวาดาทําฌานยาก สงบได้นิดๆหน่อยๆ น, นี่พวกเราชอบคิดวะทําความสงบที่พวกเรามีนั่นคือสติปัญญาคารวาสชาวบ้านชาวเมืองพวกนักคิดปัญญาชนทั้งหลายไม่มีเวลาทําความสงบให้แนบแน่นจริงได้แค่วันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านได้แค่นี้แหละนะงั้นถ้าจะรอสงบให้ได้ชานก่อนแล้วมาพิจารณากายอะไรมันไม่ได้สักที หน้าที่ของเราก็คือรู้เข้าไปตรงๆเลยจิตใจเป็นไงรู้ตรงๆนะการดูจิตเนี่ยไม่ต้องอาศัยฌานก่อนฌานจะเกิดทีหลังมันเป็นปัญญานำสมาธินะเป็นการรู้กายเนี่ยต้องใช้สมาธินำปัญญาคนละคนละแนวทางนะเรามีทรัพยากรอะไรเราก็ต้องใช้ตัวนั้นนะเราจะเอาจุดที่เป็นจุดอ่อนของเราไปใช้นะยากอย่างจุดอ่อนของเราคือเราไม่มีเวลาทาความสงบจริงหรอก เรากลับจะไปเล่นในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยเล่นยากนะ